ต่อจาก 21 ตุลาคม 2533ณพุทธสถาน จะเจริญธรรมญาติธรรมทั้ง การสงเคราะห์ญาติทั้งหลายนี้น่ะ เรียกว่าปัญญาผล 2 กําลังแห่ง นะเป็นกําลังเรียกสังคหะเสมอ เป็นผู้พ้นทุกข์ประการนะประการก็คือพ้นทุกข์ทั้งหมด คือสังคหวัตถุ 4 อ่าไม่มีคุณธรรมเลย 4 นี้เป็นเรื่องสําคัญเป็น แปลความที่น่าเกิดมาน่าสิดายที่ไม่ได้ จะให้สัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือว่าให้ใคร สังคหวัตถุ 4 มีเอ่อมีมีปอยยวัจฉะ 4 4 พูดกันก่อนเพราะว่าญาตะกาลนั้นจะสังคโหหรือสังคหะนี่ก็ แลกเปลี่ยนหรือไปเล่นเอ่อไฮโลไปเล่นเอ่อการ นี่เรียกทานแปลว่าอะไรจะถามเด็กดีกว่าตระสร้างความโลภทานแปลว่าอะไรทานแปลได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าให้อะไรจะถามให้เอา ให้ใช้เปล่าแปลว่าใช่เด็กก็เข้าใจใช่เปล่าให้แปลเอาใช่มั้ยใช่มั้ยอ่าใช่ ไอ้เอามาคือมันก็ยังไม่ได้ให้อะไรใช่มั้ยนี่ไม่ใช่เท่า ก็ให้ใครทําทานผิดจําไว้ฟังวันนี้แล้วอย่าไปทํา อธิษฐานนี่เราจะทานใช่มะตอนนี้ขอ ก็ 4อ1 ทานเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวพุทธก็ผิดหมดสอน น่าจะเป็นพระเป็นสงฆ์อะไรก็ตามศรถานได้ มันได้มาก็ชื่นใจได้มาก็ชื่นใจมันไม่แหละ อะไรนะของศาสนาคริสต์เพราะว่าจากบาปหลวงจะไปเพราะใน เป็นทั้งนั้นอันนี้แหละสําคัญถ้าเพราะว่าเราอะไรต้นคือคิดอย่าง ซึ่งเราไม่ทรงวรระวังๆไม่ใช่ๆเพราะถ้าทําถูก ที่จริงสมาธินั้นน่ะมันมีผลของสมาธิเรียกว่าความตั้ง อุปจาระสมาธิ 3ๆขั้นนี้ก็ก็หมายความว่าเราตั้งจิต เต็มรูปก็ความจริงก็ไม่ใช่ทีเดียวว่าการตั้งมั่นที่จริงสมาธิ คนแต่ละคนนี่เราจะสํารวมกายจะ สัตว์นี่เป็นชีวะที่ที่มีวิญญาณครองพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นเป็น มนุษย์พืชนี่ไม่มีวิญญาณครองละมีพลังงาน เป็นเป็นชีวะที่ไม่ๆพวกนี้มันรู้มากพูดไปแล้ว กัษระแล้วพยายามทําใจของเราอย่าอยากได้ๆ ถ้ามีการให้เนี่ยเป็นสําคัญมีๆนะเพราะฉะนั้นฐาน เพราะเยวาจานี้เข้ามาแปล แม้แต่มาเป็นพระแล้วนี่บวชพระแล้วมีวินัยห้ามเลย จอนแยงลึกซึ้งมากเลยเพราะใครเข้าใจแล้วว่าดุ เพราะฉันถ้าจะเป็นครูถึงขั้นดุ ถือว่าเป็นคําบริพาทหรือคําดุพระพุทธเจ้าก็ เป็นสัจจะธรรมเป็นคําถูกต้องที่ดีเพราะฉะนั้นปยวัชชะ เรียกว่าปิยวาจาเป็นคําที่น่ารักเป็นคําที่ประชา เพี้ยนๆนอกจากเพี้ยนแล้วก็เลยกลายเป็นผิดด้วยคือ คบดุอันนี้คําว่าคํา แต่นั่นแหละถ้าใครยังไม่มีฝีมือก็ต้องพูด ข้อที่ 3 อัตถจริยาอัตถจริยานี้ลึก 4 คือ 1, 1, 1 2 ศีล 3 I. I i 4 ปัญญานี่เป็นอภัจจริยา 4 อ่าเพราะอภัจจริยานี้ก็ 4 นี่แหละประโยชน์สัมปรายิกัตถประโยชน์สัมปรายิกะก็ อธิบายโลกหน้าก็ผิดกันโลกหน้าต่อเมื่อตายไปแล้วแล้วก็ ธรรมของพุทธเจ้าพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นในโลกหน้าจึง กิเลสตายกิเลสตายหมดหมดหมดหมดหมดจนกระทั่งสะอาดขึ้น สรรพ 4 ประการนี้เป็นคนโลกใหม่เรียกว่าสัมปรายิกภพหรืออื่นปฏิบัติ ตนเองประพฤติตนเองเนี่ยๆเกิดได้ร่างกายเดิมนี่ ไม่ใช่ศรัทธาอย่างทุกวันนี้ศรัทธาไม่เต็มที่หรอกศรัทธานี่ปลุกเร้า ที่คนจะเข้าใจได้ง่ายเพราะศรัทธาที่ว่านี่เข้าถึงพร้อมด้วย มามายังพันเตวีสูงมีสูงลัคณาธายะแล้วก็ปาณาติปาตาเวรมณีปายเลื่อ โลกสัมปรายิกกตภูมินี่สัมปรายิกกภูมิไม่ได้คือเข้าภูมิโลกใหม่นี่เลย แล้วเค้าบอกว่าอาตมาพูดผิดด้วยนะเค้าบอกไม่เคยได้ยินเลยนั้นน่ะ ข้อ 1อเลย 24 อ่าเนี่ยอาตมามีๆเล็กๆอะไรอยู่ในมือเนี่ยเต็มปากเต็มมือพอ จึงเรียนแล้วว่าการ 9 ข้อ 10 ข้อ เชิงวิมุตติญาณฐานะนี่ก็คือถึงวิมุตติและมีญาณปัญญาถึง รู้แต่อย่างงี้แกปวดท้องนี่แกจริงเพราะอาตมาไม่เก่งภาษาไม่เก่ง จะยังไงแจกขายยังไงเอาเนื้อมันมาบอกได้แต่บอกภาษา บริจาคให้เต็มรอบเข้าถึงการบริจาคให้เต็มรอบบริจาคค่ายิ่ง นี่จะต้องปฏิบัติจริงๆเลยจะต้องเข้าถึง ปัญญาทุกวันนี้เนี่ยหรือว่าที่จริงเรา เพื่อเอาไปล่าลาดยศสรรเสริญโลกีย์สุขหรือโลก ที่ตรงกันข้ามกันกับโลกียะเป็นความฉลาดๆปัญญาข้าม สร้างความสามารถให้กับตัวก็เป็นคนมีประโยชน์แท้ได้มากๆฟังกลับกันนะ แลกกลับมาเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์เราเป็นโทษแก่เราเองเป็นภัยแก่ ฟังนะอันนี้คนเก่าๆนี่ยิ่งคุณคนนอกๆมาฟังนี่อาจจะตีลังกาอาตมาเรียก ต้องขายร้อยสิบเกินกว่า 100 ขาย 110 ถือว่าได้กําไร 10 ที่ 10 น่ะ 100 อีก 10 เอาเกิดมาได้มากเท่านั้นยิ่งดีนิยมกันมากในสังคมคนโลก อัตตามาพูดตรงๆนะว่าคนโง่ให้เค้าจริงๆ อ่าได้ให้เอาคุณเอาไป 30 30 30 30 30 ไป, อย, 50 ยิ่งให้เข้าไปนี่ทุนฟรีได้กําไร 100 เต็ม 100% เต็ม คือสัมปรายิกภูมิอย่างคนโลกที่พระพุทธเจ้าทันทาให้ แก้ปัญหาไม่ตกหรอกอาตมาขอท้าให้ต้องเอาทฤษฎีของสมณโคดม มันพ่ายแพ้ลงไปแม้แต่สตอเซียตอนนี้ก็ เพื่อที่จะไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณดีพอมีอิสรภาพเพราะดวง ขอพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาๆๆ ถูกเพี้ยนไปมากแล้วเป็นลัทธิแก้พุทธลัทธิแก้มามากแล้วแต่ จริงๆจะติดคุกกี่ปีกี่เดือนไม่ว่าอาตมามั่นใจในทฤษฎีพระพุทธเจ้าและได้ภิสูจน์ 20 วัน 20 อ่าก่อนนั้นแล้วก็พาเรามาพิสูจน์ให้มีอ่า กรรมตัณหาเพราะว่าตัณหามีเพราะว่าตัณหาเข้าใจแล้วก็ล้างตัณหาไม่มามาอยู่อย่างนี้รู้อ่า มีสมาชิก 5ๆหน่อยเพราะว่ามันขยาดความไม่ไหวก็เอาภาษาธรรมะ มาเป็นญาติของพระพุทธเจ้ามาเป็นญาติทางธรรมเรียกว่าญาติติดธรรมเดี๋ยว ก็ถูกละลักษณะก็ถูกละนะแต่ว่าๆเพราะ จัดตัวไว้ว่าคนเรานี่เกิดมาเป็นพี่เป็น ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในๆเรื่องนี้ ทุกคนคิดไม่ถึงง่ายๆเลยเกิดมาชาตินึงแล้วหลงอ่าต่อให้ 100 ปี สังกับสังวัตตะกับวิวัฏตะกับชาติ นับไม่ท้วนพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าถ้าแต่ละคน กองกระดูกของแต่ละคนจะกองสูงเท่า พระพุทธเจ้าๆนะว่า 4 ว่า 4 มหาสมุทรโอ้โหน้ําตาๆคนมันก็อาจจะถึงก็สิก็หลายๆคน สงสารหวั่นกันล่ะใช่มั้ยว่าถึงจริงมีคนเดียวถ้าเป็นหลายคนน่ะแน่ ตั้งจิตนะเป็นโทธิสัตว์ตั้งจิตธนะนะยัง โลกนั้นจะมีพระพุทธเจ้า 2 องค์หรือในระยะ ที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนเสี่ยงถาไว้แล้วถาดทองคําใบนี้ ตกพบหลับนอนให้ปลุกก็ไม่ตื่นต้องเอาเสียงบรรลือ เนี่ยอาตมาก็เอานิทานบ้างอะไรต่อใดบ้างมาประกอบ เล็กนักนักแต่แม้แต่ญาติทางสายเลือดนี่มีติ ปิยวจชะหรือคําสอนเป็นปิยวาจาให้ได้มีอรรถจริยา มีญาติมากเนี่ยมีลูกเต้าเหล่าล้านเยอะนะเดี๋ยวนี้สุกข้อกัน ที่แก่ไปๆนะคุณฟังดีๆจึงเกิดการสงเคราะห์กันได้ เป็นสายหรือ เพราะฉะนั้นถ้าผัวว่าเราสงเคราะห์กันได้แม้แต่ไม่ได้เป็น แม้ปัจจุบันกรรมเพราะแม้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นอดีตชาติ ถ้าเรามีสมรรถภาพพอมีเอ่อทรัพย์แรงมีเงิน ก็จะเป็นปุจการกล่าวประยายการเป็นธาตุของสังคมการเป็น แล้วเราจะญาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีพลังดลภาพเพิ่มขึ้น เรายิ่งให้เท่าไหร่เรายิ่งได้เรายิ่งไม่เอานั่นวาจา กรรมชีวิตของคนคือกรรม 3 กรรม 3 กายวาจา ชาตินี้ต้องการมากๆโลไม่แก่ตัวเองมากๆๆๆมากไม่ ทานต่อสละๆจริงๆๆๆๆพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าทํา แล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้อะไรอะไรได้แต่ท่านจะเอาไปใช้อะไรอะไรได้เค้าจะสละให้อย่างนั้นเพราะจริง อันนี้คิดยากแต่คุณภิกษุๆเทศสูง ส่วนคุณจะไปประพฤติปฏิบัติได้นี่ไม่ได้ไป อยู่เนี่ยคุณกระทบสัมผัสแล้วคุณจะอยู่ไหวมั้ยโดยแสบเจ็บเออทน จนกว่าคุณจะรับลูกเป็นจนกว่าคุณจะรับมัดเป็น เป็นคนไม่มีเห่าไม่มีเรือนไม่มีเฮ้ยรวยเว้ยเอ่อบอกพวยนิดหน่อย อยู่ข้างนอกเป็นคฤหัสถ์ไม่รวยมาอยู่เป็นพระรวยฉะนั้น อาตมาก็จำนนนะละเค้าก็ว่าไงก็ว่าไปเพราะอาตมาไม่มี แต่ยังเป็นเรื่องน้อยเรื่องเล็กสงเคราะห์ให้ได้อริยทรัพย์สิทรัพย์ ใครพอเราระลึกว่าเราเกิดมาๆใครไม่รู้ๆโบราณกาลไม่รู้ ลดสิทธิ์เลิกซะอย่าไปแย่งเลยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่น นั่นขอเตือนสติทุกคนไม่ว่าอายุมากอายุน้อยเสียชาติเกิดขอเตือนสติทุกคนไม่ว่าอายุมากอายุนะไม่ว่าอายุมากหรือไม่ ได้เป็นกันมากันไม่รู้กี่ชาติกับกี่ๆศึกษา อยากเป็นญาติพระพุทธเจ้าหม่มมั้ยล่ะฮะฮะอาตมาว่ามันควรนะมันควรจะเป็นญาติ เป็นๆเถอะศึกษาเอาเลือดเนื้อเชื้อไฉอันนี้แม้ ที่ดีจริงๆจริงๆและเราก็จะได้พิสูจน์กันว่าคน อะไรอาตมาก็ๆๆๆ